แนะนำบทอัลกิยามะบทอัลกิยามะเป็นบทมักกียะมี 40 องค์การบทนี้เริ่มด้วยการสาบานต่อวันแห่งการฟื้นคืนชีพแล้วกล่าวว่าวันฟื้นคืนชีพนั้นเป็นความจริงไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยบทนี้ได้กล่าวถึงส่วนหนึ่งจากบรรดาจากเครื่องหมายของวันอันน่ากลัววันนั้นซึ่งดวงจันทร์จะถูกบดบังให้อยู่ในความมืดสายตาจะเหลือกลานและบรรดาจะเวท และมนุษย์จะถูกนํามารวมไว้เพื่อการคิดบัญชีและการตอบแทนบทนี้ได้กล่าวถึงความเอาใจใส่ของท่านรอซูลด้วยการจดจําอัลกุรอานขณะที่ญิบรออีลได้อ่านให้ท่านฟังท่านได้ใช้ความพยายามในการติดตามญิบรออีลท่านได้กระดิกลิ้นของท่านพร้อมกับเขาเพื่อจดจําสิ่งที่ญิบรออีลได้อ่านให้แก่ท่านอัลเลาะห์จึงมีบัญชาให้ท่านฟังการอ่านอัลกุรอานของญิบรออีลเสียก่อน และอย่าได้ด่วนเครดิตลิ้นบทนี้ได้กล่าวถึงการแบ่งมนุษย์ในวันกิยามะออกเป็น 2 พวกคือพวกที่มีความสุขสําราญและพวกที่มีความทุกข์ระทมสําหรับบรรดาผู้ที่มีความสุขสําราญนั้นใบหน้าของพวกเขาจะเบิกบานมีรัศมีพวกเขาจะมองไปยังพระเจ้าส่วนบรรดาผู้ระทมทุกข์ใบหน้าของพวกเขาจะมืดมนต์ความต่ําต้อยและความเศร้าสลดจะเกิดขึ้นแก่พวกเขา บทนี้ได้กล่าวถึงสภาพของบุคคลขณะที่ใกล้จะตายโดยที่ความหวาดกลัวและความยากลําบากจะปรากฏขึ้นมนุษย์จะเกิดความครับแค้นและความทุกข์ยากอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยบทนี้ได้จบลงด้วยการยืนยันถึงการชุมนุมและการกลับไปเกิดอีกครั้งหนึ่งด้วยหลักฐานและข้อพิสูจน์ทางด้านสติปัญญาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอลาอูคซิมุบิยามิลกิยามะฮ์ข้าขอสาบานต่อวันกิยามะห์วะลาอูคซิมุบินนัฟซิลลาวามะฮ์และข้าขอสาบานต่อชีวิตที่ประณามตนเองอะฮซะบุลอินซานอัลลันนัจมะอิอะซามะฮ์ มนุษย์คิดหรือว่าเราจะไม่รวบรวมกระดูกของพวกเขากันนั้นหรือแน่นอนทีเดียวเราสามารถที่จะทําให้ปลายนิ้วมือของเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่ว่ามนุษย์นั้นประสงค์ที่จะทําความชั่ว Yes alayyana yawmul qiyamah เขาถามว่าเมื่อใดเล่าวันแห่งการฟื้นคืนชีพจะเกิดขึ้น라 이다 ดาริกัลบัสรเมื่อสายตามืดมัว라ดวงจันทร์ถูกบดบังด้วยความมืดวะจุมิอัชชัมซุวัลกัมร라ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ถูกนํามารวมกันยะกูลุลอินซานุยะอ์มิดินไอนัลมะซรวะนันมนุชจะกล่าวขึ้นว่าไหนเล่าทางหนี เปล่าเลยไม่มีที่พึ่งหรอกอีลารบิกะยามาอิดินิลมุสตะกรในวันนั้นยังพระผู้อภิบาลของเจ้าเท่านั้นคือที่พักอันสงบสุขยุนับบะอัลอินซานยามาอิดินบิมากัดดะมะวาอัคคัรวันนมะนุชะถูกแจ้งให้ทราบถึงสิ่งที่ได้กระทำไว้ก่อนและในภายหลังบัลลิลอินซานอะลานัฟซิฮิบะซีร เปล่าเลยมนุษย์นั้นเป็นพยานต่อตัวของเขาเองถึงแม้ว่าเขาจะเสนอข้อแก้ตัวของเขาก็ตามเจ้าอย่ากระดิกลิ้นของเจ้าหนึ่งด้วยอัลกุรอานเพื่อเจ้าจะรีบเร่งจดจารึกอินนะอะลัยนาจันอะฮูวัลกุรอานะฮู แท้จริงหน้าที่ของเราคือรวบรวมอัลกุรอานให้อยู่ในซวงอกของเจ้าและการอ่านมันดะนันเมื่อเราอ่านอัลกุรอานเจ้าก็จงติดตามการอ่านนั้นแล้วแท้จริงหน้าที่ของเราคือการอธิบายอัลกุรอานเปล่าเลย แต่พวกเจ้ารักการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และพวกเจ้าละทิ้งปรโลกในวันนั้นหลายๆใบหน้าจะเบิกบานอีลาร็อบบิฮานาซิเราะห์เจ้ามองไปยังพระผู้อภิบาลของมันวุจูฮุยยามาอิดินดาซิเราะห์ และในวันนั้นหลายๆใบหน้าจะเศร้าสลดมันคิดว่าความหายนะอันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นแก่มันเปล่าเลยเมื่อวิญญาณขึ้นมาถึงคอหอย และมีผู้กล่าวว่าใครเล่าที่ให้เจ้าฟื้นขึ้นเหมือนเดิมและเขามั่นใจว่าแท้จริงเขาต้องจากไปและขาข้างหนึ่งทับข่ายข้างหนึ่งเพราะความกลัว วันนั้นจะมีการนำพาไปยังพระผู้อภิบาลของเจ้าเพราะว่าเขาไม่เชื่อมั่นและไม่ละหมาดแต่เขาปฏิเสธและหันหลังให้ แล้วเค้าก็เดินไปหาพวกพวกของเค้าอย่างหยิ่งยโสออลาลักฟาออลาความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิดแล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิดทุมมาออลาลักฟาออลาแล้วก็ความวิบัติจงมีแต่เจ้าเถิดแล้วความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิดอะฮซะบุลอินซานอันยุตรกซะดามนุษย์คิดหรือว่า เขาจะถูกปล่อยไว้โดยไร้จุดหมายกระนั้นหรือเออลัมยะกุนุฏฟะตัมมินมะลียุมนาเขาไม่ได้เป็นหยดหนึ่งจากน้ําอสุจิที่ถูกให้พุ่งออกมากระนั้นหรือซุมมากานะอะลากะตันฟะคอละกะฟะซาวาแล้วเขาได้เคยเป็นก้อนเลือดก้อนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงบังเกิด แล้วก็ทรงทําให้ได้สัดส่วนสมบูรณ์เราจากอามินฮุซซอจายินอัซกะรวัลอันธาและพระองค์ทรงทําให้เค้าเป็นคู่เป็นเพศชายและเพศหญิงอะไลซาซาลิกบิกอดิรอะลาอันยุฮยิลมะวตาดังนั้นพระองค์จะไม่สามารถให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีกกระนั้นหรือ